รมกันเพื่อบำเพ็ญศาสนาคิดเกี่ยวกับประโยชน์ของตนโดยเฉพาะไม่ได้เกี่ยวกับผู้อื่นแต่ละคนนะก็ให้นึกลงอย่างนั้นเพราะเรายังมีคุณสมบัติ ไม่เพียงพอที่จะไปเกี่ยวข้องกับผู้อื่นดังนั้นให้นึกว่าเราจะสะสมบุญกุศลสะสมความรู้ความฉลาดใส่ตนของตนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เวลานี้เรายังบกค้องอยู่ ก็ให้คิดกันอย่างนี้ถ้าไม่คิดอย่างนี้แล้วมันก็จะไม่ตั้งใจก็จะสั้งทันว่าตนนั้นรู้แล้วพอแล้ว้วท่านท่านพูดไปอย่างไรตนก็เห็นไปตามทุกอย่างไม่เห็นแปลกอะไรเลยตนก็รู้ไปตามหมดอ่าบางคนเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะ ฟังทำอ่ะฟังไปท่านพูดไปแสดงไปนี่ทิศุ่องค์หนึ่งก็ยังว่าไปหาอาจารย์อาจารย์ไปสอนทมให้ไปหาออชาออชาไสอนวินัยให้มันนึกว่าหูใจพุทธศาสนานี่มันหยุมหยิมเหลือเกิน แทบจะทำอะไรไม่ได้เลยมีแต่ข้อห้ามอบชาชานรวามีนิสัยคับแคบไม่สามารถที่จะทรงทำทรงวินัยอันก่วงขวางไม่ได้ก็จึงพาไปเฝ้าพระาศาสดาไปกลาบทูลให้ทรงทราบ พ, พระาศาสดาจึงใช้อุวย สัตวกับทิกถูกรูปนั่นว่าดูก่อนทิกถุถ้าเช่นนั้นเธอจะปฏิบัติทำอันหนึ่งอย่างหนึ่งได้ไหมเออถ้าเอาปฏิบัติแค่ทำอย่างหนึ่งเท่านี้นี่ข้าพราะองค์ปฏิบัติได้แต่ก็ไม่ทราบว่าหมายเอาอะไรทำอย่างหนึ่งนั้น่ะ พระ อ, องค์เจ้าก็ทรงส์ตรวา ก, กลวการรักษาจิต ด, ดวงเดียวเท่านี้แหละเธอไม่ต้องคิดอะไรให้ยุ่งยากลำบากให้มาตามรักษาจิต ด, ดวงนี้ให้มันสงบให้มันตั้งมั่นอยู่ภายในนี่นั่นแหละมันจะเป็นทางพ้นทุกข์ไปได้คนจากมานพ้นจากเสนามารไปได้ มันก็คือกิเลสเเนั่นเองแหละพระองค์เจ้าจึงตรัสภาภษิตให้พระุูงนั้นได้พิจารณาดูรังกรร ม, มังเอกาจรังอสสริรังบูหาไชยังเยจิตตังสัญญาเมตสันติโมขันติมารบันธนาปกติของจิตนี่มีดวงเดียว แต่เที่ยวไปไกลไม่มีรูปร่างมีรรมคือร่างกายเป็นที่อาศัยบุคคลใดจักสำรวมจิตใ้ด้วยดีบุคคลพวกนั้นย่อมจักพ้นจากบ่วงแห่งมานพร<ม>ะองค์เจ้าทรงสรัสภาสิทธินี้จบลงพระภิกษุองค์นั้นก็ได้สำเร็จโสดาปติผล นี่แหละพระสาวกทั้งหลายได้ทราบความเป็นมาของพระพุทธเจ้าว่าพระองค์เป็นผู้เฉลียวฉลาดเหนือมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจริงๆ จ, งๆจึงได้มีความเลื่อมใสเคารพนับถืออย่างจริงใจเลยเคารพนับถือในพระพุทธเจ้านั่นนะเพราะว่าเรื่องอย่างนี้พระสาวกไม่สามารถที่จะรู้ได้ นโยบายต่างๆแต่พระศาสดาทรงรู้ได้ถ้าหาว่าพระภิกษุองค์นั้นน่ะถ้าไม่ได้พระศาสดาทรงแนะนำสั่งสอนโดยอุบายอันแยบคายอย่างนั้นพระภิกษุองค์นั้นก็จะไม่ได้มักได้ผลอะไรเลยนาพังอุป ช, ชาอาจารย์นั้นของไม่รู้นี้ไม่มีญาณอย่างรู้เหมือนพระพุทธเจ้า ไม่มียานอย่างรู้ว่าราจิตความคิดความนึกของผู้อื่นได้เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าดังนั้นแหละผู้มีบุญวาทนาบา ร, รมีได้เพิ่มเมื่อไปเกิดร่วมกับพระพุทธเจ้านั้นแล้วจึงว่ามีโชคดีมีลาบดีอืมีวาทน า, นาบุญมาก พราะว่าพระพุทธองค์ทรงเฉลียวฉลาดหาอุบายเนะนําสั่งสอนพุทธบริษัททั้งหลายให้ได้รู้แจ้งในธรรมของจริงเหลือที่จะนับเหลือที่จะคานนาเรียกว่ามากมายจริงๆฮะอย่างนี่แหละที่พระพุทธองค์ทรงสอนพิสูจองค์นั้น แล้วเมื่อก็คํคำสอนพุทธภาษิข้อในก็นับว่าใช่ได้ตลอดมาจนถึงบัดนี้แหละเพราะว่าในชีวิตของคนเรานี่นะมันก็มีจิตดวงเดียวเท่านี้เป็นแก่นแห่งชีวิตไม่ใช่มีอย่างอื่นเป็นแก่นของชีวิตดังนั้นการที่บุคคล สั่งสมบุญกุศลและประกอบคุณงามความดีอื่นๆใดก็ดีก็เพื่อจิตดวงนี้ไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นเลยก็ขอให้เข้าใจกันเพื่อให้บุญกุศลหรือคุณธรรมเหล่านั้นมาแนบแน่นอยู่ในดวงจิตดวงนี้เมื่อจิตนี้มันยึดกุศลธรรมต่างๆนั้นได้แล้ว กูสนทำเ่านี้่แต่มันก็ขับไล่กิเลสอันมันห ม, มักผ ม, ม, มอยู่ในจิตใจนี่มานมานานแล้วออกไปเลยแบบนี้อืเหมือนกับยามันที่คนป่วยรับประทานเข้าไปแนละ้วยานั้นมันไปขับไล่โรคภัยออกจากร่างกายของผู้ป่วยนั้นได้ยานั้นมันก็เข้าบำรุงร่างกายของคนป่วยแทนโรคภัยไข้เจ็บเหล่านั้น ก็ทำให้ร่างกายของคนนั้นกระทุ่มกระทุยมีกำลังวางชาขึ้นมาได้อันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นแหละเมื่อคนน้อมธรรมะอันเป็นฝ่ายกุศลเข้ามาสู่จิตใจนี่ให้มากเข้าไปมากเข้าไปโดยลำดับแล้วอย่างนี้นะกิเลสมันจะไปอยู่ได้ยังไงอ่ะเพราะว่าจิตของูนนั้น ชอบใจกับบุญกับกุศลชอบใจกับธรรมะของจริงของไม่จริงไม่ชอบบาปอากุศลก็ไม่ชอบอย่างนี้นะเมื่อเิีที่ไม่ชอบแล้วไม่สั่งสมมันแล้วกิเลสบาปธรรมเหล่านะั้นมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้นะีมันก็ลังหับไปเมื่อกิเลสบาปธรรมเหล่านะั้นลังหับไป ธรรมที่เป็นกุศลมันก็เกิดขึ้นแทนแล้ววะนี้อืาจิตใจก็สงบสบายเยือกเยน็นมีปัญญารู้แจ้งในขันห้านี่ตามเป็นจริงได้ในเมื่ออกุศลดับไปแล้วนะกุศลเกิดขึ้นแล้วย่อมมีปัญญาแหละคนเรานะอืปัญญาย่อมเกิดจากบุญกุศลนี่เองนะไม่ใช่อย่างอื่นใด ก็ดังที่เคยพูดมาอยู่บ่อยๆแล้วผู้เกิดมาในชาตินี้ามาฝึกผนอบรมจิตใจเข้าไปเกิดปัญญาเฉลียวฉลาดขึ้นมามากนี่อานิสงส์ตั้งเศชาติก่อนนั่นแหละมันตามมาอำนวยผลให้เศชาติก่อนที่พูดนั้นยินดีในการฟังในการฟังพาสิทธิ์ของนักปราบรฑิตทั้งหลาย มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นที่แสดงให้ฟังไม่เบื่อไม่หน่ายต่อการฟังในสิ่งที่เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นแล้วก็ยังเรียนนังท่องยังจำเอาอีกอนั้นแหละความดีที่พูกนั้นทำไว้แต่ชาติก่อนนั่นนอมันเป็นอุบนณิสัยติด ต, ตามมามาถึงชาตินี้มันก็ ให้เกิดความชอบใจในศีลในธรรมในคำสอนของพระเถเจ้ายินดีในการที่จะประพฤติปฏิบัติตามโดยไม่เกียดคร้านและไม่เบื่อหน่ายเลยมีความพอใจเป็นอารมณ์อยู่อย่างนั้นอันนี้นะีเพราะฉะนั้นผู้ประพฤติปฏิบัติผู้นับถือพระพุทธศาสนานี่ มันจึงมีคนหลายหลายประเภทหลายระดับทั้งนี้มันก็ขึ้นอยู่กับอินทรียบารมีของบุคคลแต่ละคนที่ได้อบรมสั่งสมมาแต่ชาติก่อนนูน้นผูใ้ใดมีอินทรีย์อ่อนความเป็นไปแห่งการนับถือพระพุทธศาสนามันก็เป็นไปอย่างอ่อนออนมันไม่เข้มแข็งอย่างนี้แหละเราก็เห็นกันอยู่ดาดื่นนะ ผู้ใดมีอินทร์บารมีแก่กล้ามาแต่ชาติก่อนนนมาถึงปัจจุบันนี้มันก็ทำให้เกิดฉันทะความพอใจในการที่จะปฏิบัติธรรมนี้ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ท้อไม่ถอยในการทำข้อวัดปฏิบัติ อ, อันหน้าที่ของตนมีอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องวัตวาศาสานาเกี่ยวกับเรื่องการบุญการกุศล เราก็ทําลงไปเต็มความสามารถไปอย่างนั้น <c oughs> หน้าที่ของใครใครศึกษารู้หน้าที่ของตนแล้วตนก็ต้องลงมือทําเอไม่ต้องไปเพ่งเลงผู้อื่นแต่คนนั้นยังไม่ทํานี่คนนี้ยังไม่ทําำเราจะไปโง่ทําไมล่ะผู้ใดคิดอย่างนี้นะ่าฟะผู้นั้นยังไม่รู้ทำเรื่องมันนะ่ะไปอ้างอิงเอาคนอื่นโน้ ท่วนธรรมะข้อปฏิบัตินี่ไม่เกี่ยวกับบุคคลอื่นนี่ผู้ใดทําผู้นั้นได้อย่างนี้นะศาสดาทรงแสดงไว้ผู้ใดไม่ทําผู้นั้นก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรไม่ได้บุญกุศล น, นั่นแหละเขาไม่ทํำนี่มันจะได้ยังไงล่ะนั่นเอผู้ไม่ได้ให้ทานอย่างนี้นะมันก็ไม่ได้รับอานิสงส์ก็เกิดไปชาติใดก็เป็นคนยากคนจนอยู่นั่นแหละ เราว่าไม่มีผลทานที่จะไปอํานวยให้มีเงินทองเข้าของอะไรมากมายอย่างคนอื่นที่เขาให้ทานมาแต่อดีตชาติทนหลังนี่ผลไม่ทํามันก็ไม่ได้รับผลอัเป็นที่พอใจอย่างนั้นแหละศิลก็เหมือนกันนะเมื่อใครรักษาศิลศิลก็อํานวยผลให้แก่ผู้นั้นให้ผู้นั้นได้มี ชีวิตยอยู่ยั่งยืนนานปราศ จ, จ, จากโกครคภัยไข้เจ็บไม่เป็นคนอายุสั้นพรานตายก่อนอายุไขมื่อนี้มันกระร่วนทั้งแตตอานิสงสินทั้งนั้นคนไม่รักษาศีลเนี่ยไปเบียดเบียนในบคนอื่นและสัตว์อื่นมาแต่ชาติก่อนน้่นกรรมเวรเนยมันก็ติดสอยห้อยตามมา เมื่อได้โอกาสเวลาใดมันก็สนองเมื่อนั้นทำให้ผู้นั้นมีอายุสั้นเข้าไปเน้ ว, ว่ากรรมทั่วนั้นมาตัดรอนเอาทั้งๆ ท, ที่ทนไม่อยากตายเลยแต่ก็จจำเป็นก็ต้องกลมหน้าตายเพราะเราไม่มีอำนาจอะไรที่ไปสู้กับมัจจุราชคือความตายได้เออย่างนี้แหละคนเราน่ะมันถึงได้มีชีวิตไม่สม่ำเสมอกันนั่นแหละ บางคนก็มีอายุยืนยาวไปตลอดถึงอายุไขนุ่นก็จึงตายบางคนเพียงแต่วัยหนุ่มวัยกลางคนเท่านี้ตายไปแล้วก็มีมันขึ้นอยู่กับวาสนาบา ร, รมีของแต่ละบุคคลที่กระทำเอามาแต่อดีตชาติหนหลังนู่นไม่ใช่ว่ามาทำบุญกุศลทำความดีชาตินี้ แล้วบุญกุศลอันนี้จะต่ออายุให้ยืนยาวนานไปเรื่อยๆไม่ใช่อย่างนั้นถ้าหากว่าเป็นเช่นนั้นจริงเนะี่ยใครเราจะไปตายจากโรคนี้อันผู้นับถือพุทธศาสนานะเราคิดดูคันรู้อย่างนี้นะมันก็ทำความดีเรื่อยไปบุญกุศลที่ทําขึ้นมานี่มันก็ต่ออายุให้ยืนไปเรื่อยไปอย่างนี้ฮะอ แต่มันไม่เป็นสิ่งที่จะเพึ่งตั้งอยู่ในฐานะที่จะเป็นไปได้ไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นอย่างนั้นได้กฎธรรมดาไม่ได้ยกให้อย่างนั้นหรอกกฎธรรมดามีอยู่ว่าอาศัยบุญเก่ากรรมเก่าที่ทนท ร, รมาได้เช้าก่อนนู่นมันมาอุทธรณ์บำรุงชีวิตให้เป็นอยู่ได้พอหมดบุญเก่ากรรมเก่า ที่ตนทำมาแต่ก่อนแล้วแม้ว่าตนจะทําบุญกุศนอะไรมากมายเท่าไรในชาตินี้มันก็ไม่สามารถจะต่ออายุให้ไปได้มันก็ต้องล่มหายตายจากโรคอันนี้ไปนี่กฎธรรมดานะมันเป็นอย่างนี้ส่วนบุญใหม่นี่มันปัจจุบันนี้มันก็ให้ผลทางด้านจิตใจฮะผู้ใดทําความดีในปัจจุบันนี่ก็ทําให้ดีอกดีใจใจิตใจเบิกบานผ่องใส อเริ่มจะให้ทานนวลแหละมานะ่ะแต่มันจะให้ผลทางรูปกายนี่มันยังให้ไม่ได้ก่อนบุญกุศลที่ทําในปัจจุบันนี้เพิ่งเข้าใจมันถูกต้องวันนี้เมื่อเวลาบุญเก่านี้หมดลงแล้วจิตวิญญาณออกจากร่างนี้ไปบุญใหม่ก็เป็นญาณผ่านทะรองรับนําไปลวปะวันนี้นะอ น, นี้หมายถึงเอาบุคคลที่ยังละกิเลสไม่หมดอะ่ะ มันก็ต้องคยเกิดอีกอย่างนั้นแหละบุญนั่นแหะพาไปอ่ะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าผู้ใดสร้างบุญกุศลเต็มเพียบลงไปแล้ววันนี้ก็ไม่ได้ไปไม่ได้มาทางไหนแล้วบวันนี้อืไม่มิไม่มีไม่มีอาการไปไม่มีอาการมาถ้าสร้างบุญกุศลเต็มบริบูรณ์แล้วนะเรียกว่าจิตนี่มันหยุดหมุนแล้ว คำว่าอารหันหรืออรหันนี่แปลว่าหยุดหมุนแปลว่าชีวิตนี้ไม่หมุนไปในโลกนี้โลกหน้าพบน้อยพบใหญ่อะไรอีกเลยอืมเรียกว่ามันหยุดหมุนหยุดอยากได้อะไรต่ออะไรในโลกนี้ทั้งหมดเลยะอเพราะฉะนั้นให้พึ่งพากันเข้าใจเป็นอย่างนี้แหละ ดังนั้น่ะอย่าไปนึกว่าเราพอแล้วบุญกุศลนี่นะเราทํามามากแล้วแล้วก็ไปนอนใจเสี้อ응แล้วแล้วก็ทําเป็นเพียงเล็กเล็ ก, กน้อยนอยไปไม่ขมักขมนันอย่างนี้นะนั่นเรียกว่าเป็นความเห็นที่ยังไม่ถูกต้องเลย응ถ้าหากว่าตนนั้นน่ะมีบุญกุศลมากแล้วเต็มแล้วอย่างนียนะ เมื่อก็สําเร็จอรหันได้เลยที่นี่อันนี้มันเป็นเครื่องที่บอกเลยนะถ้าบุญบุญศนเต็มแล้วนะมันไม่เป็นอื่นเป็นอรหันนั่นแหละบุญบุญศนนี่แหละมันกําจัดอาสวะกิเลสอันมันหมักบองดองอยู่ในจิตใจนี่ให้หมดไปสิ้นไปเลยเหมือนอยากําจัดโรคในกายดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้น เราไม่ต้องไปบังคับบุญให้กำจัดกิเลสัณหาเราบุญกุศลที่ตนทำมานะั้นมันทำหน้าที่ของเพื่อนเองเลยบุญทำหน้าที่ของบุญกุศลเองเราไม่ต้องไปบังคับเลยนะนันแหละเหมือนยังยาเนี่ยเมือ่อบุคคลเราทานเข้าไปในกระเพาะในลำไส้ในท้องนู่นแล้วเราไม่ต้องไปอธิษฐานนะเออขอให้ยาเนี่ยจงไปขับ ไล้โรคภัยอยู่ในกายเข้าไปจ้าส่วนนั้นส่วนนั้นออกไปให้หมดไม่ไม่ไม่ไมจําเป็นนะต้องไปอ้อนวอนอธิษฐานอย่างนั้นเลยไม่อ้อนวอนแต่ยามันก็ทําหน้าที่ของมันเองนะนั่นมันก็กระจัดโรคภัยอยู่ในร่างกายของมนนั้นให้เบาบางไปเองอันนี้บุญกุศลก็เช่นนั้นแหละให้พึงเข้าใจแต่ถ้าผู้ใดทํา สั่งสมบุญแต่น้อยอย่างนี้ไม่เขมาคขม้นไม่สะสมให้มากบุญกุศล น, นี่มันก็ไม่มีกําลังที่จะมากําจัดกิเลสตัณหานี่ให้ขาดออกไปจากผิตใจได้นี่นายเพิ่งเข้าใจดังนั้นพระศาสด า, าจึงได้ทรงแนะนําสั่งสอนให้สั่งสมบุญกุศล น, นี่ให้มากขึ้นไปเรื่อยๆบุญกุศล น, นี่เมื่อมากเข้าไปเท่าไรมันก็มีกําลังมากขึ้นเท่านั้น มันก็กำจัดกิเลสออกจากขิตใจนี้ไปเรื่อยๆแล้อไม่ใช่ว่ามันจะไปกำจัดเอาตอนบรรลุอรหัตต น, นทีเดียวเลยไม่ใช่มันก็กำจัดให้กิเลสนี่เบาไปเบอไปเรื่อยๆทีเดียวเพอพอว่าบุญกุศลนั้มันเต็มเพียบลงไว้เมื่ อ, อไหรล่ลวไดยฟังทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละ จบลงก็หลุดพ้นไปแล้วเพราะว่ากิเลสส่วนยามยากนี่มันละกันไปด้วยอํานาจแหง่งบุญกุศลที่ทํามานี่อมันมันเบาบางไปเบาบางไปเรื่อยๆแล้วนี่มันยังแต่กิเลสส่วนละเอียดนิดนี้นิดหน่อยเท่านั้นดังนั้นพอได้ไปฟังพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเข้าเท่านั้นแหละก็สามารถ ละกิเลสขาดจากสันดานได้เลยใน เ, เรื่องหนึ่งท่านสแสดงไว้ในธรรมบทแปลนะมีบุรุษคนหนึ่งนะเป็นนักโคนนั ก, กรานักดนตรีต่างๆแล้วที่เอาไปเล่นดนตรีโค้นรำขับร้องอะไรให้คนดู เพื่อนพิศดาร น, นะเอาไม้ไผ่ต้นเดียวนะั้นฝังลงไปแล้วก็เอาไม้แป้นอันนึงใสีใส่หัวเสานั่นน ะ, ะเมื่อฝังเสานั้นลงดินให้แน่นหนาดีแล้วอย่างนี้ก็ขึ้นเสาไม้ไผ่ต้นเดียวนั้นไปอะไปนั่งอยู่บนแป้นนั่นยืนบ้างนั่งบ้างโค้นรำขับร้อง แสดงบทตลก6ขันต่างๆให้คนได้ดูได้เฮได้า้าไปอา้าวในข้าวครั้งนั้นพระาศาสดาทรงเล่งยานส่องสันโลกบุรุษคนนี้ไปต้องขายพยานของพระองค์พระองค์ก็พาท่านภาษานด้บุตรทมโขคันลาพระมหากัสสปะอะไรโมนี้เดินสเสด็จจำเนินไปตามทาง ตามสถานที่ที่บุรุษคนนั้นเอเล่นดนตรีอยู่นั่นนะ เ, เมื่อคนทั้งหลายได้เห็นภาษาสฎาทรงพระดาเนินไปพร้อมด้วยภาษาวกก็หากันหยุดเอมองพระพุทธเจ้าและภาษาพวกทั้งหลายเป็นตาเดียวกันนะวันนี้เจ้านั่นที่เล่นพลำขับร้องอยู่บนปลายไม้นั้นก็จ้องดูภาษาสดาเหมือนกันนะ อันนี้พระองค์ได้โอกาสแล้วก็ทรงประทับยืนอยู่ข้างล่างนี้ชายคนนั้นก็ดืยืนอยู่บนเสาไมา้ไผ่นู่นหน่ะพระองค์ก็ตรัสพระคาถาเพียงบาทพระคาถาเดียวเท่านั้นเองหละจบลงในะชายคนนั้นก็บรรลุอรหัตผลเลย อ, อยู่บนปลายไม้นู่น เมื่อสำเร็จอรหัตผลแล้วก็ลงจากบายไม้นั้นมาสู่พื้นนี้แล้วก็มาขอบวชกับพระศาสดาเท่านั้นเองก็องค์กเยียดพระหัตต์ออกไปว่าเอหิภิกขขประสัมปดาท่านจงพิเป็นวิสุมาเถิดธรรมวินัยเรากล่าวไว้ดีแล้วจงประพฤติพรหมวจันตลอดไปเถิด เท่านี้แล้ววริขารแปดอมิทิปก็เลื่อนลอยมาสวมเอาเลยหนวดเขาผมาเผาอะไรก็ปีวหายไปหมดเลยก็เป็นพระทิกถูกภาวะขึ้นเต็มที่เลยในขณะนั้นนะคนทั้งหลายงงกันไปหมดเลยนี่แหละนี่แสดงถึงวาทนาบา ร, รมีอันนี้นะ เมื่อบุคคลใดบำเพ็ญบุญกุศลบารมีมามันเต็มลงไปแล้วอย่างนี้นะในการบรรลุมรรคผลนิพพานไม่ยากสักหน่อยเดียวเลยนะมันยากทั้งแตอินทรียบารมียังไม่แก่กล้านี่แหละให้เข้าใจเมื่ออินทรียบารมียังไม่แก่กล้าแล้วอย่างนี้มันก็จําเป็นต้องทาความเพียรเด็ดเดี่ยวต้องเอาทุกเป็นทุนหมายเข้ามาอย่างนั้น ถ้าผู้ใดกลัวต่อดทุกข์อยู่แล้วมันก็ทําความดีสั่งสมบุญบารมีให้แก่กล้าไม่ได้เลยผู้จะเป็นสุขก็ต้องเอาทุกข์เป็นทุนก่อนจะเป็นก้อนทีละน้อยค่อยผสมจะเป็นพระก็ต้องลักการมารมจะเป็นพรหมก็ต้องเพียรเรียนทำฌาน นักปราดท่านแต่งเป็นคำคงว่าอย่างนี้นะว่าถูกต้องเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นแหละพวกเราเหล่าพุทธบริษัททั้งหลายควรพากาันพยายามสั่งสมบุญกุศลให้มันมากขึ้นในจิตใจของตนนะการทำใจให้สงบนี่แหละเป็นการสั่งสมบุญได้มากที่สุดเลยทีเดียวนะ เพียงจะไปทอดผ้าป่าทอดกระถินโดย ถ, ถวายจตุปัจจัยบำรุงวัดวาสานาเป็นหมื่นเป็นแสนบางแห่งก็เป็นล้านนู่นอย่างนี้แล้วยังปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปยังโกรธยังเกลียดยังมีอิจฉาพยาบาทอยู่ในใจอย่างนี้บุญกุศลจะไม่มากเลยแม้ว่าคนนั้นจะทานเงินทานทองมากเท่าไหร่ก็ อานิสงส์ก็ไม่มากถ้าหาก ว, ว่าได้ให้ทานอย่างนั้นมากมากแล้วก็ทั้งภาวนาสำรวมใจให้สงบระ ง, งับจากกิเลสบาปรธรรมกรรมอันชั่วลายท่างๆได้อย่างนี้แล้วโอ้อย่างนี้ยิ่งได้อานิสงส์มากทีเดียวนะเพราะฉะนั้นท่านสับุรุษทั้งหลายผู้มีสีสุเกเงินทองเจ้าของนั่นอย่าไปติดอยู่ในความสุข อันชั่วข้าวเท่านั้นเลยอย่าไปสําคัญว่าตนได้ให้ทานมากๆแล้วตนต้องได้บุญมากแนย่ยังไม่ได้เต็มที่ถ้าไม่ได้ฝึกผลอารมณ์ีดให้สงบก่อนต้องให้เข้าใจอย่างนั้นอย่าไปเกียดคลาสก่อนนอนตื่นนอนให้ไหวพระนั่งสมาธิภาวนาน้มนึกถึงบุญถึงคุณความดีที่ตนกระทําบําเพ็ญมา เป็นอารมณ์จนว่าใจมันสงบมันยินดีปีติอยู่ในบุญในคุณอนั้นแล้วอย่างนี้นะอะก็จึงค่อยหลับค่อยนอนถ้ายังไม่ง่วงหลับง่วงนอนก็เจริญปัญญาต่อนั่นเพ่งพิจารณาธาตุทั้งสี่ขันธ์ทั้งห้าอันที่ได้นามว่าอัตภาพร่างกายนี้แหละให้เห็นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา ตามความเป็นจริงความเป็นจริงของขันห้าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะถ้าหากว่าเป็นของเที่ยงมันก็จะไม่แปลผันเลยแต่นี่เกิดมาแล้วใครเกิดมาอยู่นานไปก็แปลสภาพไปทั่วผมเคยดาก็ขาวหูเคยได้ยินเสียงอะไรชัดก็อื้อไปตาเคยเห็นอะไรต่ออะไรมาเจ็มใสมาแสนยังหล่มเอาแกชลามาแล้วตาก็มัวเข้าไป ผมเคยดำสนิทมากกว่าผมขาวหนังเคยเป่งฟังตึงตังก็ยอนยานตัวตกปละอะไรตั่อะไรนี่แหละลักษณะของความไม่เที่ยงของร่างกายมันเห็นได้ชัดๆอย่างนี้เลยตองพี่ยนานานาลงไปมันเป็นเครื่องที่บอกถึงอนาตตาเลยเพราะมันบังคับไม่ได้นะมันถึงได้แปรผันไปอย่างนี้ควรเหลือที่จะมาถือว่าเป็นเราเป็นของของเราอ่ะ อย่างนี้แหละเราก็ใช้ปัญญาสอนจิตใจไปอย่างนี้นะตนเองก็คงตอบตัวเองแล้วว่าไม่ควรเลยเพราะว่าถ้าคืนถือว่าเป็นตัวตนตนก็ต้องไปทุกข์ที่เพราะว่าถ้าหากว่าถือว่าเป็นของตนอย่างนี้ตนก็ต้องบังคับมันได้ไม่ให้มันสำรุดทุดโทรมมันก็จะไม่สำรุดทุดโทรมเลยถ้าเป็นของเราจริงๆนะแต่นี่มันบังคับไม่ไดนะ้ก็จะไม่ถือว่าเป็นของเราได้ยังไงอะ่ะ เนี่ยตนเองอรสอนตัวเองตนเองหัอบตัวเองไปอย่างนี้เนะี่ยมันความรู้ความเห็นเหล่านี้มันก็เตยมกระจ่างขึ้นในใจเลยนั่นแหละแล้วก็เป็นเหตุให้จิตที่ปล่อยวางขันห้า น, นี่ได้ไม่ถือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาอันนี้ยิ่งได้บุญหลายูุใ ด, ดภาวนามาถึงขั้นนี้นะ เป็นบุญอันบริสุทธิ์พุทธองอันจะเป็นช่องทางให้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้ในการต่อไปลังแสดงมา